การนั่งขัดสมาธิทีศนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มารี่เริ่มใหม่คือวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ลมไมโพธิ์ที่คนเรานับถือต้นไมโพธิ์คือว่าต้นโพธินั้นเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาแต่การนั่งั้างนั้นพระองค์ นั่งแบบเสียสลักหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสโลเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าพระองค์จะนั่งให้มันตายเนนั่งคัดสมาธิเพี้ น, นไม่ใช่พระองค์ทำเล่นเอาจริงและที่ในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันพระพุท ธ, ธเจ้าของเราได้ตับ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 ข้ามแม่น้ำมาก็มาถึงต้นไม้โพนั้นเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วพระองค์ชอบทัไทยว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรับสรู้จริงๆที่ล่มไม้นี้ตามตำนานโบราณว่าต้นไม้โพต้นนั้น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 ขนาดสามสิบห้าปีนั้นเรียกว่ายังแข็งแรงล่มเงาดีเมื่อพระองค์มาถึงต้นโพ น, นั้นแล้วก็จิตใจก็สบายมากพระองค์ยิ่มในใจจะเอาชนะกิเลสในใจให้ถึงขั้นเ ด, ด็ดคาด แต่ก่อนมามันยังไม่เด็ดไม่ขาดพระองค์ก็ไกรกองว่าอย่างไรจึงจะเด็ดขาดลงไปได้เมื่อพระองค์ไกรกองไปมาก็ได้ความว่าเอเรานี่มันกลัวตายด้วยเนี่ยมันจะไม่ให้ตายวันต้องเอาตายนี่แหละสู้มัน การ น, นั่งขัดสมาเ็จพระองค์ยอมตายล่ละถ้าไม่ได้ตัดสู้ก็พระองค์จะไม่ไปบินถบาทไม่เสวย อ, อาหารร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้ต้องตายทีนี้เมื่อเอาตายสู้ันอะไรอะไรก็มาสู้ไม่ได้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 สุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจิตใจนี้ยังเลาะและหวั่นไหวกลัวตายอยู่ก็พระองค์จะไม่ถอยเมื่อพระองค์ไม่ลุกไปมาในที่ใดๆชีวิตมันก็อยู่แค่นั้นหละเอาตายที่ล้มไม่โค่นนี่แหละพระองค์เด็ดเดียวอย่างนั้นในความหมายเช่นนี้พระองค์ตั้งใจว่า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 ลมเข้ารับรู้วันนี้เป็นลมเข้าจริงลมออกรับรู้วันนี้เป็นลมออกจริงกระแสจิตที่จะคิดฟุ้งซ่านลาคาญเหมือนเก่าๆท่านไหมเอาเลิกละเลิกทิ้งหยุดท่านเอาลมหายใจนี่มัดจิตหรือเอาจิตนั้นมามัดอยู่ที่ลมหายใจก็ถูก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 เอากายนี่เป็นที่เป็นภาพชนะเป็นเครื่องรับรองเอาดวงจิตผู้รู้โยภายในเป็นผู้ภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออกละองกำหนดอย่างนั้นเลื่อยไปย้อนจิตใจไม่พลั่งเผลิเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรม เจ็ตของพระองค์ละเลิกอยู่ในกายในจิตไม่ไปที่อื่นไม่ให้มันไปที่อื่นไม่ให้ไปยินดียินายนอกนี้ออกไปเมื่อนึกจเจริญหนักเข้าทนีนีจ็ตของพระองค์ก่อนนึกได้อีกขั้นหนึ่งว่า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 นั่งโยดีๆพูดโยกับเพื่อนฝูงเดี๋ยวกดเกิดวิกรมเวยการขึ้นมาโลหิตในเส้นสมองแตกบ้างเขาก็ว่าไปเป็นภาษาแพทยภาษาหมอก็คือเรื่องแตกตายนั่นแหละคนเรานั่นเมื่อมองเห็นความตายแล้วอะไรอะไรสลดได้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 ถ้าจิตใจของผู้ภาวนาไก่กรองในเรื่องตายนี่เห็นแจ้งจนจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกคนเมความสลดสังเวในใจว่าเออความตายนี่มันไม่มีใครข้ามพ้นไปได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเท่าพยามหากระสั จะสมมติว่าสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อมาลานะภัยคือความตายมาถึงเข้าทุกอย่างต้องจำยอบความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงให้จิตใจเราผู้ภาว น, นาพุทโธก็ดีนึกถึงความตายก็ดีให้มันซึมซากเข้าในจิตเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมันผิวเผด จิตมันยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันยังคานอยู่ในใจนะทันเจดหนึ่งว่าเราต้องตายนะมันยังไม่ตายนะมันยังอยู่อยู่อะไรเราก็ยังไม่พออยากจะให้รออย่างนั้นก่อนอย่างนี้ก่อนขอกับพยามมาอยู่ลาดคือความตายก็คงได้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 ไม่ใช่ว่าเพียงจำภาษาว่าเราต้องตายก็พอต้องไ ก, กลกองให้เห็นว่ามันตายจริงๆดูคนเราเขาที่ตายไปบางคนเกิดวันนั้นคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีบางคนลราตายทั้งลูกตายทั้งแม่ก็มีในวันนั้นวันคลอดบางคนก็มาได้เจ็ดวัน ตายก็มีอย่างพุทธมารดาพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยประสูติได้เจ็ดวันเถอนก็สวรรคตยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตัดสูลเลยตายเช่นก่อน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 พระพุทธเจ้าของเราจึงได้เสด็จไปทรรมชาปนกิจด้วยพระองค์เองกับพระปยุรยาตเพราะพระเจ้าสุทโธทนะมีจิตใจเข้มแข็งบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอยู่ในหอปราศาตร์ลาภสมนกียนอยในความสุขสบายท่านไม่ยึดถือ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 โพลิสะละักษณะสวยงามนอกจากสวยงามตามบุญบารมีแล้วยังมีสึ่งหนึ่งที่คนเราได้เห็นก็คือว่ารัศมีหกประการมีสีช่อออกไปจากพระวรากายข้างละวาระวา ไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนรัศมีหกประการนั้นก็สว่างรอบพระองค์อันนี้อันหนึง่งแหละเมื่อคนได้เห็นได้กราบได้วาแล้วก็พาให้จิตใจมีกำลังในการทำบุญให้ทานในการรักษาชิ้นห้าชิ้นแป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 คือจิตไม่ภาวนาให้มันพอไม่กำหนดพิจารณาให้มันพอให้มันรู้มันเห็นให้มันแจ้งในเรื่องทุกการเกิดมาแล้วเรื่องทุกมันมากเรื่องที่จะทำให้เกิดทุกมันรู้จากกิเลสในใจมนุษย์คนเรามันรู้จักแต่จะเพิ่มทุกหาทางเพิ่มทุกขึข้นมา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 ตัวทกนั่นแหละท่านก็ดูโยที่กายวาจาจิตนี่ดูที่ตาดูที่ลูกดูที่หูดูที่เสียงพิ่เจรณาอยู่ในกายในจิตดูที่จมูกดูที่ดินดูที่ลิ้นดูที่รสอาหารผ่านลิ้นดูที่กายดูที่สิ่งมาสัมผัสร่างกาย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 แล้วก็มักจะมาถามว่าหลวงพ่อจะให้ภาวนาบทใดครับมันพ้นทุกข์เร็วๆกับผมนี่ยอยากให้มันพ้นทุกข์ เ, กกเร็วหาทางรัดกว่านี้ได้หรือเนี่ยือว่าเย็บใจเราไม่มีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าความเพียร น, น้อยเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่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 เวลาคนเราจะทำอะไรเล็กๆ น, น้อยๆบนกลัวคือจิตมันกลัวจิตมันทอแท่อ่อนแอจิตมันน้อยเท่าปลายเข็นจิตไม่กล้าถ้าจิตมันลกขึ้น้ามันกล้าหานเผชิญหน้าต่อกิเลสไม่ยอมแพ้ภาวนาตั้งใจให้มั่นคง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 อันที่มันมืดมันหลงมันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาตยึดตระกูลวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เลิกล่างกันไปดวงจิต ด, ดวงใจก็เบาโล่เย็นสบายมีเวลามีโอกาสภาวนาได้ตลอดวันตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาหมด เด็ใจมันไม่กลัวละทําได้ปฏิบัติได้เมื่อทําไปปฏิบัติไปมันคล่องแคล่วว่องไวจะริ้วฉลาดสามารถอาจหันทีนี้มันก็ตัดออกได้เป็นอย่างเป็นอย่างไปไม่ใช่เราไปตัดก่อนพินิจพิจารณาให้มันทั่วท่วนทั่ ว, วถึงรอบคอบทุกอย่างทุกประการมันตัดเองละเอง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 เมื่อใจตั้งได้ละอะไรมันได้หมดละแน่นั้นความตั้งใจให้มัน่นในตัวในใจของเหล่านี้จึงเป็นข้อแรกที่เราทุกคนจะต้องประกอบกระทำคือเรื่องจิเลสในหัวใจในตัวคนเรานคนอื่นจะมาแก้ไขให้นั้นไม่ค่อยได้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 จิตใจมันมันเพียนขยันขันแข็งไม่ท้อถอยแล้ออวลพระธรรมจะตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาเมื่อพระธรรมตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาความเพียนความมันความขยันในใจิตใจของผู้ปฏิบัติพโยคาวจรเจ้าท้งร้ายก็เรียกว่าเข้มแข็งเข้มข้นไม่อ่อนแอท้อแท้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 อย่างทุกวันนี้ให้ภาันตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตัวเราเองให้หมดชิ้นไปก่อนตายอย่าไปรอถึงว่าใกล้จะตายจึงภาวนาพุทโธพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานเอาให้มันเสร็จสิ้นไปไม่ได้ อยู่ดีสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องเล่งภาวนาถ้ามันเกิดทุกขเวทนาแล้วเจ็บมันไปคล้องอยู่ในความทุกข์บหัดละหัดวางไว้แล้วมันไปถึงเวลานั้นมันปั่นป่วนหมดเพระนั้นเวลาอยู่ดีสบายให้พากันตั้งใจคือว่าตั้งใจแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไป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 สติปัญญามันกลุมากขึ้นตามรู้ตามละสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการผลที่สดที่เราทําอยู่ปฏิบัติอยู่นี่แหละก็เป็นกํำลังให้จิตใจที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสิ่งแปลกๆต่างๆในจิตในใจนะ จใจก็เข้มข้นในการมุ่งเพื่อปฏิบัติบูบชาภาวนาและสิเลสีนและเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูบชาภาวนานี่ขึ้นโยกับการกระทำของแต่และบุคคลจะฟังรำเข้าใจขนาดไหนถ้าไม่ เอาไปประกอบกระทำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละต้องเอาไปประกอบกระทำจนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตใจของตัวเองจนเลิกละกิเลความโกรธได้จริงละจิเลสความโลภโลภะได้จริงละจิเลสความหลงในจิตได้จริงได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละความเข้าใจในธรรม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 เมื่อบุคคลผู้ใดมีความภาดความเพียรมีความอดความทนทนมีความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนปฏิบัติกระมำอันนั้นมันก็เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหานขึ้นมายังมีพุทธภาสิทข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตัดไว้ว่า อะไรไม่เหลือความเพียรท่านว่าอย่างนั้นวิเยนะทุกขมัดเตติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรถ้ามีความเพียรอยู่ในใจแล้วพยายามทาปะไม่ทอดทิ้งผลที่สุดพ้นทุกได้ทันางนั้น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 สัพพีติโยวิวัทชันตุสัพพะโลคโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีธีขายุโกภวะะกิวาธนาสิริสนิจจังวุธาปจจาิโนยัตตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปารา ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิจองระลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพนพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ล้มไม่โพก เจตใจของพระองแน่วแน่มัน่นคงไม่ยึดมั่นถือมัน่นในล่างในกายพระองนึกในใจว่าจะเอาให้ได้ชนะมานกิเลสคำว่ามานกิเลส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 จะต้องตัดให้ขาดกิลเลสเหล่านี้แหละพาให้พระองค์หรือคนสัตว์ทั้งหลายที่มาติดโย่ข้องโย่ในกรรมมาพบพบของกรรมลูกป่าพบอารมปพบสามพบ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 พอที่จะได้ตัดสรูเป็นประพฤติจระให้เสร็จสิ้นไปเสียทีเมื่อได้ตัดสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้หมายเพียงแค่เอาพระองค์เดียวไปสู่นิพพานหรือว่าพ้นทุกข์พระองค์ุ่งหวังลืกขนสัตว ทั้งมนุษย์โลกเทวโลกอมมาโลกสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดมีอินทรีย์บามีแก่กล้าพอที่จะโปรดจะสอนได้พระองค์จะสอนจะตัดจะบอกแนะนำให้ไปถึงฝั่งฝากโน้นคือ น, นิพพาน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 เพื่อตัดกิเลสลาคะโทสะโมหะให้เด็ดขาดลงไปในคืนวันเดือนหกเป็นนั่นเมื่อพระอง์นั่งขัดสมาธพิพเสร็จเรียบร้อยแลว้วคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือพระหัต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 กิเลสมานสังขารมานไม่ต้องมาหลอกลวงเราอีกต่อไปเพลินวันนี้เป็นวันเด็ดขาดตัดขาดกันเสียถีถ้าไม่ได้ตัดสู่ก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ตายพระองค์ว่าอย่างนั้น แม่เลือดเนื้อเชือไข่จาเหตุแห้งไปเหลือปตนหนังหุ้มกระโดกก็ตามทีเคยมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในทีนะ่นั้นความจริงมันไม่ตายนะกีเลกมันหลอกลวงโดคนเราเมตตาลูกเมตตากับลูกมันก็หลอกลวง ให้ลมหลงมวเมาอยู่ในรูกตนรูกบุคคลผู้อื่นรูกวัตถุเหาของทรัพย์สินเงินทองโลกหยาบรลกอย่างกลางโูกละเอียดมันเก็บมาหลอกลวงจนจิตใจมนันลดและเทวนดาอินพมไม่ว่าอยู่ที่ไหน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 เธอในภาวานาทำความเพียรละกิเลสนั่นแหละทันดาจิเลตจิเลสนี้มันใหญ่ยิ่งไม่มีใครสามารถจะเอาชนะได้มีสองพุทธเธอสัมมาสัมพุท ธ, ธเหมือนกับพุทธเจ้าของเรานี่หนึ่ง จะเอาชนะกิเลสมารสังขารลมารเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดมเมื่อเด็ดขาดได้ตัดสู้เป็นฝาผูุเทเจ้าแล้วยังทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายส่งไปถึงนิพพานทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์ทั้งหลายแหละสัตว์โลกที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้า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 พระโสดคอดพระองค์มาเพียงเจ็ดวันเท่านั้นก็สวรรคตรตายไปแต่ท่านไปเกิดอยู่โน้นดุสิตเทวโลกเพราะความปรารถนายังไม่สิ้นสุดพุทธารดาแม่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 พระพุทธเจ้าโกนาคมาโนพระพุทธเจ้ากัตโสพระพุทธเจ้าโกตมโมพระพุทธเจ้าศีอาริยเมตโยโพธิสัตว์พุทธมันดาต้องการจะให้ได้เป็นแม่ผู้กระโจนผสสัมมาสัมพุทธเจ้าในในโลกกาย จึงจะเข้าโซนิพานอันนี้แล้ ว, วเป็นความตั้งใจของพุทธมารดานางสิลิมหามายาเมื่อพระองค์ได้ตรัสโลแลจึงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาพร้อมด้วยเทพพระเจ้าทั้งหลาย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 เมื่อพระองค์ยังสังฆมนทนสาวกทั้งขฤรืหัดและบรรพชิตได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานแล้วพระองค์ก็สเสด็จดับขันเข้าู่นะหรือผานในเมื่ออายุพรรษาของพระองค์ ได้แปดสิบบริบูรณ์ปีแปดสิบปีนั้นก็แล้วว่าเดือนหกเผ่นเดือนหกเผ่นจึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ไปโสิเกิดมาจากท้องแม่ก็ระโสิในป่าเรียกว่า สวนลมกินีป่าไม้สวนลมกินีเป็นสวนไม้ละว่างประเทศทีแรกพุทธามดาตั้งใจว่าจะเสด็จไป้อดทิมบ้านพ่อแม่ <c oughs> พอมาถึงที่นั้นก็เป็นเหตุให้ไปตรสจเสียก่อนเพราะว่า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 ก็มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าใต้ลมไม่โผกก็เป็นเดือนหกเพลนโปรดเวนยศาสตร์อยู่สี่สิบห้าปีไม่ทอดทุระทั้งกลางวันกลางคืนอายุแปดสบบริบูรณ์ก็เสด็จ ด, ดับขันเข้าโจนิสาระหว่างไม่หลังทั้งคู่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 มีพระเจ้าจั ก, กรพัตราธิราชเด็จมาครองเมืองเป็นเมืองใหญ่เมื่อพระองค์ดับขันเข้าสู่นารุพานแล้วพระสาวกองค์อรหันตานาศก็ช่วยจิตการ菩าสนามาโดยลำดับ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 ได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็ให้พากันทำความปีติยินดีคือไม่ได้สำคัญกับองค์พระพุทธเจ้าเท่าไรนักสำคัญพระธรรมพระวินัยคำสอน